بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ا ش ر ف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا و ب ن اسلام دين و ا ب محمد رسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีเจา ล, ล้อสุบฮานอหัวตาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมนะครับเรียนกุฎอ่านทุกๆ ท, ท่านนะครับอาธรรมดุลิะ ล, ละก็วันนี้นะครับแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะว่ามีสองคาบด้วยกันสองชั่วโมงเรียนด้วยกันนะครับชั่วโมงเรียนแรกก็ปกติเรียนกุฎอ่านพร้อมความหมายแล้วก็อีกหนึ่ง ชั่วโมงท้ายเนี่ยนะครับนะท่านอาจารย์มาแล้วด้วยท่านอาจารย์บิดีนทัสน์นนะ่ะจะมาบรรยายศาสนธรรมต่อเอาออกเลยจะมาบรรยายศาสนธรรมต่อนะครับหลังจากที่เราเรียนกูรานกันนะอ่าวันนี้นะครับขออนุ ญ, ญาตเกินนําก่อนนะเพราะว่าเรากําลังเข้าสู่นะสุรทิห้า นะครับชื่อว่าสุร้ออัลมาอิดะสุร้ออัลมาอิดะสุร้ออัลมาอิดะนะเดี๋ยวค่อยบอกเรื่องของที่มาของชื่อเป็นสุรอ้อที่มีการกล่าวย้ำนะด้วยกับประโยคว่ายาอายุหัลและดีนะอามานูในในสุร้อนี้เนี่ยนะครับ มีการกล่าวขึ้นต้นด้วยยาอายุฮัสดีในาอามมนูเนี่ยสิบหกครั้งสิบหกครั้งเลยนะจากในกุฎอ่านมีทั้งหมดเนี่ยแปดสิบแปดครั้งอยู่ในซูระอนอัลมาอีดาเนี่ยสิบหกครั้งนะจึงมีเป้าหมายนะครับหลักของซูระอนนี้ก็คือการรักษาคำมั่นสัญญาการรักษาคำมั่นสัญญานะและแน่นอนนะว่า คลาดใดที่มีการเริ่มต้นด้วยยาอายุธยาดีนอาอัมานูเนี่ยท่านนาบีก็บอกว่าจงรับฟังเถิดเพราะจะตามมาด้วยกับหนึ่งคำสั่งใช้ถ้าเป็นคําสั่งใช้ต่างๆก็ให้เราปฏิบัติหรือถ้าไม่ใช่เป็นคําสั่งใช้ก็เป็นคําสั่งห้ามนะและแน่นอนเมื่อเป็นคําสั่งห้ามเราก็จะต้องออกห่างนะครับออกห่างจากการจากการละเมิดนวะข้อห้ามต่างๆ ส่วนชื่อของซูระอนอันมาอีดะเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยก็คือสําหรับอาหารสํำรับอาหา ร, ร, า ห, ารหรือว่าโต๊ะอาหารเหตุที่มีการตั้งชื่อว่าเป็นซูระอนอันมาอีดะเนี่ยก็เป็นเรื่องของอาหารมื้อสุดท้ายของท่านนาบีอีสาก่อนที่นบีอสาจะถูกยกไปเราเล่าไปแล้วครั้งนี้แล้วว่านาบีซาไม่มดนถูกตรึง นะไม่ได้ถูกสังหารถูกฆ่าแต่ท่านนาบีนั้นถูกยกไปแต่มันจะมีเหตุการณ์มืออาหารของท่านนาบีอีซากับกับใครกับสาวกก็คือฮาวารียีนนะคราว น, นี้พวกคนคริสเนี่ยเขาเป็นภาพเลยนะมือโตอาหารแต่เขาไปใส่อะไรด้วยไหมไวบอกนาบีอีซาเรากินไวนอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะพี่น้องภูงมิมาทั้งหลาย ของเขาของที่เป็นสินมือเมาเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามนะครับแต่แต่พวกนี้เขาก็ว่าเติมเข้าไปอ่ า, อานี่ก็คืออยู่ในช่วง ท, ท้ายของซูรอ้อนนะครับพูดถึงเรื่องของอันมาอีดาแต่จริงเป้าหมายตรงนี้ก็คือที่พูดถึงเรื่องอันมาอีดาตรงนี้สำหรับอาหารก็หมายถึงสัญญาข้อผูกพันต่างๆการรักษาคํามั่นสัญญาของคนที่เป็นฮาวารียีนคนที่เป็นสาวกคนที่เป็นคนที่คอยดูแล ปฏิบัติตามของนบีอีสาเนี่ยเขาจะต้องรักษาสัญญาหนึ่งสาี่ก็จะเกี่ยวข้องกับสัญญาหรือว่าพันธสัญญาหรืออะไรน ะ, ะข้อสั่งใช้ต่างๆนะครับอ่ะนี่ก็คือที่มาของซูรอหรือชื่อของซุรออัลมาอีดะเดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติีฮาก่อนนะครับอ่ะเอาุบิลลาฮิมินัเชยตอนิราชีม ب سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ม ل ลกียาุมิดดินอียังกะ ي ้าอับดุวะอียังกะนัสต اع ินอิฮดินอั ا ร์อัลมุสตัคิม สิ ا ط ต الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين อาอู ل ه บิลล ن ฮิมินอชชัยตา م ุรรจิ ل บิสมิลลาฮิลล م ฮ์มา ا ุ ا ل าะหิมย ي เอเยห์ลัลลิ ن ั ُُู و บِลก ا أ ด ي ُّอَ ا ا ل ละ ذ ِ ي ن َ آ م ن و أوف ِุ ا ลْ ع ُ ق อ و د ِ أ ُัِ لكم ب ه ي م ُ الأنعم إلا ما ي ْ ل ع َ ل ي ك م อิลลาม ت ด์ละ عليكم ไกรมุฮิลลิศาย ا ل وأنطمحورم อิลลาม ت ด์ละ عليكم ُกรมِฮ الصَّ ายดี و أ ن ُ م ح و ر มอ ن َّั ل ล ขุม م ูม ي ยูร tamam ي َอ أ น ي ัลลَฮะญะฮุมมูมายَริดย ل เอเยห์ลัลลิณะมานุลลาตุฮิลลู Pu ว่าละช่ระห์ละหามว่า ا ะอัَฮะดียาว่าละอัล ل ุลَิَว่าละ ในบ้ห <ım S 2> ้าตกูัยตรจากตกู ยَ ت َะกَูัฟละมิรับบิหْ ر َ ب รّ ه ِ م ْ وإذا ََِ حللتم ََُ فاستأدو ولا ล ج ยจริมัน ا ักม์ฉันน้าหนุ่ก้าวมินอัลส ا ดดุ ت ุมอ و นอิลมัส jid ิลฮ ن รอมีอัลตัตตัดุว่นุกิอสดุมอนิมส จีด um> ิลหาร a m ีอัตตะดูว่าแต่วันุอัลลบรริวัตตะควาว่าแต่วันุอัลลบรริวัตตะควาว่าแต่วันุอัลลิธมิวัลกุดวน و ตกลลฮอินนลอฮชดีดุลกิย่มาดูความหมายนะครับว่เล็กมุสลาหมอดรมาตุลลอฮฺมุกตูคาอาจารย์วีดีนนะอ่าเนแป้ไม่ค่อยออกเลยอาจารย์นั่งฟังด้วยผมกิ่ง เกรงเลย<_ <EN> _>เหมือนวันนั้นเลยใจยมุตตาฟามานั่งด้วยสั่นเลยอนี่เขาเรียกเขาเรียนนะบบครูของครู<_ EN _><_ EN _>นะอาจารย์ถ้าผิดพลาดอะไรบอกชันด้วยนะ<_ EN _><_ EN _><_ EN _>โอ้ย <_ EN _> ประสบการณ์ต่างกันความรู้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับความรู้เนี่ยอาจจะเรียนทันกันได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทัดไม่ได้อย่างแน่นอนคือประสบการณ์ อาจารย์มีประสบการณ์เยอะผ่านมาแล้วนะเคียวเออยดาบเออยปืนเออยบรรยายบรรยายอยู่พวกพลากมีดมาา น, นี้อาจารย์เล่าให้ฟังนะทำให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะนะนะอ่ะทำดิล น, นละอ๋อไม่มีมีที่นี่ไม่มีมมมมเออหมายถึงรุ่นอาจารย์เขาไงเออเขาได่านร้อนผ่านหนาวมา ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะที่เขาถางให้พอเราเดินสบายเขาถางาใหญ่หมดแล้วสุนนะของเราเดี๋ยวนี้พูดสบายเมื่อก่อนจะพูดทีเนี่ยต้องระวังอา้าวขออนุญาตนะครับนี่ก็ขออนุญาตฉันขออนุญาตบ้างามาดูความหมายในวิชาตัปสินอักกามนะครับ หนึ่งในอายะเนี้ยก็ถูกบรรจุเอาไว้ในมุกอรอดในหลักสูตรก็คือในสูโรอัลมาอิดะอายะที่หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่ายอยุฮัลลดีนอาเมนูอูฟูบิลอกูดแปลว่าอะไรครับโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนเถินนะเปิดหัวมาเนี่ยเริ่มต้นก็คือว่า พูดถึงสัญญาโดยรวมก่อนโดยเฉพาะสัญญาที่เรามีต่อลอสุบหาห์นะหัวตาลามีข้อผูกพันซึ่งกันและกันนะดังนั้นคำว่าคำว่าอูกูดเนี่ยอีความหมายหนึ่งก็คืออูฮูดนะอูฮูดก็คือสัญญาหรือกรอบ นะครับในการปฏิบัติตัวของเราอิสลามเราเนี่ยไม่ได้อาศัยตามเขาเรียกอาศัยอยู่ตามอําเภอใจทุกอย่างมีกรอบอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์อยู่ในกรอบนะครับนั้นถ้าเราละเมิดขอบเขตของศาสนาแน่นอนผลเสียก็จะตามมาบางครั้งเนี่ยผลเสียอาจจะไม่ได้เขาเรียก ว, ว่าผลเสียแน่นอนในการผิดหลักการศาสนาแต่ก็จะมีผลเสียในเรื่องของการดําเนินชีวิตด้วยเช่นคนที่ไปกินเหล้านะคนที่ไปกินเหล้าเนี่ย ทั้งคนที่เป็นมุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลากินเหล้ามาแน่นอนผลเสียเกิดขึ้นคุมสติไม่อยู่ขับรถชนนะครับนี่คือผลเสียต่างๆที่อัลลอฮ์นั้นได้เขาเรียก อ, อะไรนะกรอบต่างๆที่อัลลอฮ์นั้นได้วางเอาไว้นะคราวนี้อิหมัมติรมีดีเนี่ยอขอโทษดิอินุอบีฮาติมได้ไรายงานว่ามีชายคนหนึ่งมาหาอับดุลลอห์อิมุมัสูดแล้วก็กล่าวว่าได้โปรดสั่งสอนฉันด้วยเถิด ท่านจึงกล่าวว่าเมื่อท่านได้ยินอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาตัดว่ายาออยู่ท่นละดีนอามานูก็จงตั้งใจฟังให้ดีเพราะมันจะมีเรื่องความดีที่อัลลอฮ์ใช้เจ้าและให้ฟังให้ดีอีกและก็จะเป็นเรื่องไม่ดีที่อัลลอฮ์ห้ามเจ้าพี่น้องจะเห็นนะเรื่องที่ดีอัลลอฮ์ใช้หรือห้ามใช้แต่ถ้าเรื่องที่อัลลอฮ์ห้ามคือเรื่องอะไรเรื่องไม่ดี อ, อะไรที่เอาล้อห้ามเนี่ยคือของไม่ดีท่านั้นแหละแต่สติปัญญาของมนุษย์เราบางครั้งก็ไปไม่ถึงนะบางครั้งก็เอ๊ะทำไมเอาล้อห้ามแต่พระองค์เอาล้อสุบฮานอหัวตาลาจะไม่ห้ามแน่นอนในสิ่งที่เป็นความดีความดีเอาล้อจะใช้และอะไรไม่ดีเอาล้อก็จะห้ามเอาไว้นะครับในรายงานของคอยสามมาเนตเล่าต่อว่าทุกสิ่งในกุฎอารที่มีข้อความระบุว่ายาไอุลาดีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ในคำพีเตอร์รอดเองเนี่ยก็จะมีข้อความเช่นนี้เหมือนกันแต่จะไม่เรียกว่ายาไอูฮันลาดีนามานูจะเรียกว่ายายอูฮันมาซากีนโอ้บรรดาคนยากจนนะอันนี้ก็คือในตัฟซิมนุกัสซีได้อธิบายไว้น ะ, อะของเราในในคุตอ่านเรียกว่ายาไอูฮันลาดีนาอามานูนะอเลบอกจงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนนะครับคําว่าเอาฟูบิน อุกูดนะครับคำว่าอุกูดเนี่ยนะถ้าแยกอีกเนี่ยโอยเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่เรามีต่อลอร์ร่วมถึงสัญญาที่เรามีต่อมนุษย์นะถ้าถ้าพูดถึงการแบ่งวิชาเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้ง่ายในการเรียนเช่นอุกูดตั้งชื่อเขาจะตั้งชื่อเลยนะอุกูดอะไรเช่นอุกูดชาลีการนะเรื่องของการหุ้นส่วนกันอันนี้หุ้นส่วนเนี่ย น, นี่ไม่ใช่ไม่ใช่มนุไม่ใช่ระหว่างเรากับลอร์น่ะหมายถึงมนุษย์ตั้งบริษัทหุ้นส่วนกัน อ่าอูกูดตาบารุอาตนะสัญญาที่พูดออกไปแล้วมีผลไม่ต้องมีคนรับเช่นการวกากาฟนะการให้นะครับตาบารุอาตนะอุกูดต่าซีกอสสัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องทําให้สัญญานั้นมั่นคงเช่นมีการค้าประกันมีการจำนำของการจำนำก็คือการยืมสตางค์นั่นแหละแต่เอาของมาค้าเอาไว้ก็อยู่ในเรื่องเนี้ยคือในในวิชามันจะมีเรื่องของมัน โอคูดชริกา้าอคูดเตาซีกอรอคูุตาบารูอานมีอะไรไหมหนึ่งไปหออกล้เรียนบรรหานแล้วนะก็ก็จะมาไล่เรียนวิชานะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นสัญญาเหมือนกันระหว่างมนุษย์ก็คือสัญญาการนิกายแต่งงานนะก็จะมีเงื่อนก็จะเป็นอาวารชักศีล่ต่างๆนะครับการปฏิบัติของคนนะเอา้าวต่อมาอเลอร์ Allah บอกว่าให้รักษาสัญญานะครับใครที่ละเมิดสัญญาแน่นอนครับ อุเลอีกอะฮุมุนคอสิรูอีอายะกุรอ่านหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮีในยันกูดูนะดัลลอฮิมิมบะดีมีแทกิอันนี้อยู่ในสุรานบะกรออัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ที่ผิดสัญญาต่ออัลลอฮ์ไม่รักษาสัญญาต่ออัลลอฮ์บะมิมบะดีมีซทกิหลังจากที่ให้ที่ได้ให้สัญญาไว้แก่พระองค์แล้วนะ วายกองูนีมาอมาราลอบอยูซาเลวายุบซดูฟิลอาและก็ตัดสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้ต่ออ่าคําถามพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับอะไรเอ่ยที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราต่อกันและห้ามตัดและสิ่งเนี้ยมันไปขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ด้วยนะว่าขอให้อัลลอฮ์เนี่ยทรงบัญญัติไว้เลยว่าห้ามตัดเด็ดขาดตัดเมื่อใดเป็นบาปห้ามตัดตัดญาติขาดมีด นี่แหละจึงมีผลเลยนะใครที่ตัดญาติขาดมิตรโดยเฉพาะญาติที่ใกล้ชิดเรายอา่อมะผี่น้องคานตามกันมาผลที่เป็นชายญาติที่เกี่ยวกับมดลูกเนี่ยออกตามกันมาเนี่ยและไปตัดความสัมพันธ์ตัดญาติขาดมิตรเนี่ยจะมีผลเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องริสกีอัลลอก็จะตัดริสกีด้วยนะการเชื่อมสัมพันธ์คือญาติยังทาให้อายุยืนด้วยผีน้องผู้มีมาทั้งหลาย และก็ถือว่าเ ป, เป็นบาปใหญ่นะในการตัดสัมพันธ์เครือยา่าและทางในทางกับการการเชื่อมสัมพันธ์เครือยา่าก็เป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันมีภรรยาท่านนาบีคนหนึ่งนะครับท่านต้องการปล่อยทาสผู้หญิงที่ศรัทธานางก็ปล่อยไปเพราะว่าเหตุที่นางปล่อยเลยเนี่ยอันเนื่องมาจากยังไม่ถึงวันที่นบีจะมาหาแต่นางตัดสินใจปล่อยเมื่อนางปล่อยทาสไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนางก็กลับมาถามท่านนาบียาโรสุรุลฉันปล่อยทาสไปเนี่ย อ่าเป็นยังไงบ้างท่านนบีถามว่าเธอมีมีแม่ไหมไม่มีแม่แต่เธอมีพี่สาวน้านะนะครับมีนาเนาะนา้นาเ น, น, น, นี่ยก็คือสิ่งใช่ไหมน้องของแม่เออนั่นแหละมีน้องของแม่อยูอ่มีน้องของแม่อยู่นบบีบอกว่าเป็นการที่ดีกว่าถ้าหากเธอจะไม่ปล่อยทานนะและให้ทานเนี้ยกับกับน้องของแม่หรือพี่ของแม่ก็ได้ เป็นการเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติผลบุญเยอะกว่าอีกทั้งๆที่ปล่อยทาตุเนี่ยผลบุญเนี่ยอัลลอฮฺจะไถ่ตัวเราทั้งหมดจากไฟนรกเลยทุกส่วนอวัยวะทั้งหมดจะถูกไถ่ออกจากนรกผลบุ ญ, ญยิ่งใหญ่มากปล่อยทาตุพุทธทานเนี่ยแต่อะไรอะไรที่มอะไรที่มีน้ําหนักมากกว่าคือการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติให้ทาตไปดูแลคนที่ที่เป็นญาติเรานะนี่คือตัวอย่างน ะ, อ, ะอัลลอฮฺบอกต่อนะคนที่ตัด ในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ให้ต่อก็คือการตัดวงวงสาคนาญาติและทำให้เสื่อมเสียฟาซาัดก็คือความชั่วช้าบนหน้าแผ่นดินชนเหล่านี้แหละคือพลที่ขาดทุนหลังจากที่อัลลอฮ์ได้พูดให้รักษาสัญญาแล้วเนี่ยพระองค์ก็พูดถึงรายละเอียดแล้วอูใหยละละกุมบาฮีมาตุนอันอามนะพูดว่าอย่างไงครับพระองค์บอกว่า สัตว์ประเภทปะสุสัตว์บะฮีมะก็คือปะสุสัตว์สี่เท้าสัตว์ที่มีสี่เท้านะนั้นเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าพูดง่ายๆก็คือสัตว์ที่เราเอามาทํากุฎบาตนาั่นแหละอ่าบางคนก็บอกอาจารย์แล้วไก่ละ่ะไก่ก็กินได้ไม่มีปัญหาแต่เขาไม่ถือว่าเป็นปะสุสัตว์เป็นสัตว์ใหญ่นะแต่แต่ไก่กินได้อยู่แล้วนะพี่น้องไม่มีปัญหาแต่ว่าปะสุสัตว์เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับ ของคนอาหรับนะเขาเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงอูดในบ้านเราก็เลี้ยงวัวนะส่วนไก่เนี่ยมันหากินง่ายนะไก่มันเลี้ยงแป๊บเดียวใช่ไหมนะแต่ปศุสัตว์เนี่ยเหมือนกับเป็นเนื้อหลักเลยในการรับประทา น, ใ น, านในการกินนะครับในการบริโภคเอาแล้จึงบอกว่าประเภทของปศุสัตว์นั้นเนี่ยเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้านะนอกจาก ก้อยรอมูไฮลิสไซดีนะว่าขอโทษดีอิลลามายุสลลาอะลัยกุ๊มนะก้อยรอมูไฮลิสไซดีวาอันตุ่มฮ so um um ูรุมนอกจากอะไรครับนะนอกจากที่ถูกอ่านให้แก่พวกเจ้าฟังเดี๋ยวอัลลอฮฺจะบอกหลังจากนี้ไปว่าอะไรบ้างที่ห้ามแต่ของกินที่ฮาลัานนะี่ยเป็นไงมันเยอะมากกว่า นนเรื่องของฮาลานฮารอมพี่น้องจะเห็นว่าหลักพิจารณาของมันก็คือว่าถ้าไม่มีคําสั่งห้ามเป็นไงถือว่าสันนิษฐานว่ามันฮาลานไว้ก่อนพวกเราเนี่ยแปลกต้องดูว่ามันมีมันฮาลานไหมจริงๆเนี่ยมันฮาลานในตัวมันก่อนเลยแล้วต้องมาบอกให้ได้ว่ามันทารอมเพราะอะไรถึงจะไม่กินแต่ไม่ใช่ว่ามันฮาลานเพราะอะไรไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องถามว่าฮาลานเพราะอะไร ของทั้งหมดให้สันนิษฐานว่าหาล้านก่อนแล้วค่อยมาหาหลักฐานว่ามันทารอมเรื่องอะไรนั้นการเรื่องกินเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาเปิดกว้างไม่ได้แคบโอ้โยไอ้นั่นไม่ได้นี่ไม่ได้ถ้าไม่มีหลักฐานบอกว่าห้ามกินแค่นั้นเองนะต้องบอกให้ได้ว่ามันทารอมเรื่องอะไรส่วนใจเราไม่รับอีกเรื่องนึงนะบางคนบอกเอาว่าอาจารย์ฉันไม่กินอะไรล่ะ ม, ม้ามกินมันแรง อย่างซอยจุเนี่ยวันก่อนมีคนเชิญไปกินซอยจุเนื้อสดฉันไม่ใช่ปอบนะ <c oughs> ไม่ใส่สเลือดแต่ว่าเป็นเนื้อสดเนื้อสดเลยหั่นนะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้ม <c oughs> กินสดแต่ว่าของซอยจูของคนพุทธของขอโทษทิของคนที่นอนมุสลิมเนี่ยเขาใส่เลือดแง่ อุปศนิมเราก็เป็นเนื้อนิลเละแล้วก็จิ้มกับน้าจิ้มแล้วกินเลยบางคนก็ไม่กินหรอกพยา่ยาใช่ไหมเอมกลัวพยา่ากลัวนุ่นกลัวนี่การนี้คําถามว่ามันหาลาลไหมละ่ะก็ต้องถามว่าไม่ใช่ถามว่าหาลาลมันถามว่ามันฮารอมเรื่องอะไรเออมันทารอมเรื่องอะไรซอยจุเนี่ยถ้ามันมีใส่เลือดกับฮารอมแต่ถ้ามันไม่ใส่เลือดกินไปแล้วมันมีพยา่าไปอันตรายไหมถ้าเป็นพยา่ามีพยา่าก็ถือว่าห้ามอีก แต่เขาบอกว่าอ๋อเนื้อนี่เขาเลี้ยงในฟาร์มปิดอาหารอย่างดีไม่กินก็เลยกินหัวอาหารกินหัวอาหารด้วยนะคะยาไม่เหล็กินหญ้าตามแนละ้วเขาหาอาหารสกัดมาอย่างดีพยาธิผ่านเรียบร้อยแล้วไม่มีก็จบแล้วปลาปลากระเป้าธรรมดากินไม่ได้เพราะว่ามันมีพิษแต่เขาผ่านเชฟแร่อ ย, ย่างดีกินได้อีแล้วเพราะของฮาลเพราะไปของฮาราฮารอมด้วยกับที่มันมีพิษไงดังนั้นไอเราไม่กินก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีใครห้าม แต่ถ้ามันหาล้านและไปบอกว่ามันารอมอันนี้แหละคือปัญหานะอ้าวต่อมาอัลลอฮ์บอกว่านอกจากสิ่งที่ถูกอ่านให้พเจ้าฟังเดี๋ยวพระองค์จะบอกได้มีอะไรบ้างอายะที่สามโดยที่พ่อเจ้ามิใช่ผู้ที่ถูกล่านั้นนะโดยที่พ่อเจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่ถูกล่านั้นเป็นที่อนุมัติขณะที่พ่อเจ้าอยู่ ในเอียร์รอมเอาอีกแล้วคราวนี้พูดถึงการอยู่ในชุดนะอยู่ในการคลองขอโทษทีชุดความจริงบอกชุดไม่ได้หรอกต้องบอกว่าการคลองเอียร์รอมส่วนชุดเนี่ยเป็นเป็นเงื่อนไ ข, ขของการใส่อ่าเมื่อครองเอียร์รอมแล้วเนี่ยสัตว์ที่อะไรครับที่เป็นที่ฮาลานทั้งทั้งที่ฮาลัานนั่นแหละแต่เมื่อเราครองเอียร์รอมเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปอะไรมาได้ล่าสัตว์ได้ แล้วเราจะของเยื่อรอมได้เนี่ยเฉพาะเรื่องอะไรก็เฉพาะเรื่องอุ้มร้อและก็ฮัตเท่านั้นถูกไหมอยู่ดีอยู่บ้านนึกผ้าเอาผ้าเยือรอมมาพันเล่นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้กว่าของเยอรอมใช่ไหมบางคนมีผ้าเยอรอมเอากลับมามาพันเล่นเออเนี่ยของเยอรอมคองอะไรอะ่ะต้นต้องไปเหนียดที่มีกอดนุ่นอ่านี่แค่ใส่ชุดใส่เสื้อของมันใส่ชุดของมันนะ คันนี้ถ้าเป็นช่วงฮัตเนี่ยก็แน่นอนมันมีเวลาจำกัดแต่ถ้าเป็นอุมร้อ์ก็เปิดใช่ไหมทำช่วงไหนก็ได้นะครับอ่าดังนั้นอลัลลอฮ์บอกว่าในข้อที่อนุญาตเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในชุดที่เอารอมอยู่ในการของเอารอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ห้ามเอาไว้ ah um um อินนัลลอฮัยยะกูมูมายูรเดอัลลอฮ์บอกว่าแท้จริงอลัลลอ์นั้นทรงตัดสินชี้ขาตามที่พระองค์ทรงประสงค์ คำว่าตามที่พระประสงค์เนี่ยเราจะไปไปฮึไปอือกับการตัดสินของล้อได้ไหมไม่ได้หน้าที่ของเป็นบ่าวก็คือสามีนาว่าเอาตอนะ์นาเมื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติจะไปตั้งแง่กับล้อเอ้ยทำไมอ่ะของเอียรอมน่าจะกินได้นะน่าจะล่าได้นะกินได้ไม่ว่าแต่ห้ามล่าอ่าทุกวันนี้ที่คนคองเอียรอมกันเนี่ยเขาไม่มีใครไปล่าสาัตว์อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขามีอาหารมาให้เรียบร้อยแล้วสําเร็จแล้วแต่ในสมัยก่อนนีย้ยังมีการล่าสาัตว์กันอยู่นะครับ และคลองเอียรอมเนี่ยมันจะมีสองเรื่องคือหนึ่งตั้งแต่คลองตั้งแต่แรกเลยเพราะคลองตั้งแต่แรกเนี่ยมันคลองตั้งแต่ซุนฮูไลฟ้านูน่นตั้งแต่ขอบมาดีนนะแล้วก็เดินทางยาวสี่ร้อยกว่ากิโลมาถึงมาดีนนะแล้วเมื่อก่อนเขาเดินทางแบบไหนอ่ะเขาก็ขี่อูดกันใช่ไหมมันอาจจะไปเจออูดป่าฉันไม่รู้มีป่าบ้างอูดป่าแพะป่าอะไรเยอะแล้วก็ไปล่าห้ามแสดงว่าคนที่คลองเอียรอมเนี่ยเขาต้องเตรียมสัตว์ อยู่แล้วคือสัตว์ที่เลี้ยงเตรียมไว้เป็นอาหารแต่ถ้าเชื่อสัตว์กินได้ไหมเชื่อสัตว์กินเองได้ไหมได้สิไม่ได้จะกินยังไงล่ะแต่ห้ามไปล่าไงซ้อยคือการล่าสาัตว์ที่อยู่ในปา่าที่มันมีอยู่ในป่าของมันมนี่ยมาได้เลี้ยงอ่ะแล้วเราไปล่าเนี่ยไม่ได้อแต่ถ้าเชื่อสัตว์กินได้อยู่แล้วมีปัญหานะพอเข้ามาในเขตอารอมอีกสัตว์ที่อยู่ในเขตอารอมก็เป็นที่ต้องห้ามอีก ไอ้ตอนล่าตอนแรกที่ที่ห้ามก็คือตั้งแต่ของเยรอรมันตั้งแต่ที่มีก่อนเลยแต่พอเข้ามาแผ่นดินทารอมก็มีข้อห้ามในแผ่นดินทารอมอีกเขาได้เข้าเขียนทารอมแล้วงนะเดี๋ยวค่อยเราก็ไปเรื่อยๆนะอัลลอฮ์บอกยาอายูฮันละดีนามานูและตูฮิลูชาอิรัลลอฮโอ้อันนี้อัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ให้เป็นที่อนุมัติ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งศาสนาของอิสลามงงไหมอ่านแบบนี้เราก็ยังไม่เข้าใจคราวนี้มาดูการอา ธ, าธิบายสักนิดหนึ่งเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นนะผมมีมันมีมัสอละาห์นึ่งอันนี้ดีมากเลยเมีรายงานจากบูสายได้ล่าว่าคุนนายาราซูลลลอฮ นั่นฮารูนาโกมีคนคนหนึ่งเนี่ยมาถามท่านนาบีบอกว่าพวกเราเนี่ยได้เชือดอูดนะวาซาบูบากอร์เชือดเชือดวัวเอาชาหรือเชือดแกะนะครับฟีบัตเนฮาอันจานีนพอเชือดออกมาแล้วปุ๊บปรากฏพอแลกปับนะ๊บเนี่ยในท้องมันนะ ม, มีมีตัวอ่อนอยู่ตัวอ่อนมีลูกอยู่ในท้อง เนี่ยเขาถามท่านนาบีบอกว่าไอ้นุ่นกีที่เอาอัมนนกุลูหูไอ้ตัวอ่อนที่อยู่ในท้องเนี่ยจะโยนมันทิ้งไปหรือเอามากินได้เออพี่น้องคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วก็ทําการเชื้อสัตว์เมื่อเชื้อสัตว์ปรากฏว่ามีตัวอ่อนอยู่ในทออ้องอ่ามันยังไม่ถึงเวลามันนะะมันตั้งท้องแล้วก็เชือดมันกินปรากฏว่ามันมีตัวอ่อนอยู่ในท้องเนี่ยลูกสัตว์ที่อยู่ในท้อง แน่นอนมันตายอยู่แล้วพราะเชื้อดแม่มันมันก็ตายตัวในท้องเนี่ยหารานไม่เอามากินไหมนบีบอกว่ากูรูอินชิตุ่มฟออินแจกะตะหูแจกะตุอุมมีฮีนบีบอกว่าการที่ท่านเชื้อมันเชือดแม่มันเนี่ยก็เท่ากับเป็นการเชื้อตัวมันไปในตัวด้วยแต่เรามันยา ก, ก น, นะพี่น้องเราเชือดแม่เสร็จปุ๊บเราจะเอาเอามีดแหวเข้าไปในไปเชือดมันอีกโอ้ยากทําไม่ได้หรอก <laughs> เราก็แค่เชือดแม่ก็เท่ากับเชือด ตัวมันอนะที่อยู่ตัวลูกมันที่อยู่ในท้องด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมัสอาละที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับที่มีคนที่มีซอบ้ามาถามนาบีคราวนี้ต่อมานะบอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าให้เป็นที่อนุมัติแก่บรรดาเครื่องหมายแห่งศาสนาของอัลลอฮ์เครื่องหมายของอัลลอฮ์เนี่ยอธิบายโดยอินุอับบาสบอกว่าการประกอบพิธีฮัตเป็นชายไหม เป็นเครื่องหมายที่แบบคนเขามองมาเนี่ยมันเห็นชัดไหมเวลาช่วงพิธีฮั์เห็นไหมถ่ายภาพไปคนโดนกันขาวเยลรอมโอ้โหเป็นเป็นเหมือนเป็นอะไรเป็นเครื่องหมายสําคัญของอิสลามอันนี้อันนี้อินโ น, น, น, นบาสบอกอันที่สองมุจาฮิดบอกว่าภูเขาซอฟาและมารวะอันนี้อยู่ในกุฎานชาอิริลลาอินนัสซฟาวลมารวะตะมินชาอิริลลาอันนี้เอามาจากในกุฎานเลยซอฟามารวะนั้นเป็นเครื่องหมายของ ของอิสลามของเครื่องหมายของอัลลอฮ์นะเป็นอ่าต่อมามุ j a h h i บอกต่อว่าการเชื่อดสัตว์พลีนะแล้วก็อูดก็เป็นเครื่องหมายของอัลลอฮ์ด้วยของการสร้างของอัลลอฮ์นะบางท่านบอกเครื่องหมายของอัลลอฮ์ก็คือบรรดาสิ่งที่ต้องห้ามของพระองค์ครับอันนี้จะมีน้ําหนักมากเลยนะนะสิ่งที่ต้องห้ามของอัลลอฮ์ เครื่องหมายอย่างหนึ่งคือคือเรามีกฎข้อห้ามเป็นมุสลิมเนี่ยทำนูน่ทนทำนี่ไม่ได้มันก็เป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะใช่ไหมเราไปทานอาหารเนี่ยกินมัวได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ใช่เข้าร้านไหนก็ได้อร่อยหมดอ่ะเขามีอะไรนะมิชลินกินหมดเลยไม่ใช่ยากนะมิชลินเนี่ยเป็นเชฟที่เขาที่เขาบอกให้รางวัลโอ๊ยเราจะไปกินอร่อยไม่ได้มีมุสลิมมากคนหนึ่ง ไปเข้ารายการแข่งขันทําอาหารคราวนี้วัตถุดิบเป็นหมูเลยงานข้าวโอ้โหบอกกับน่นบอกชิมไม่ได้อ่าชิมไม่ได้เขาก็เลยเปลี่ยนให้อ่าคราวนี้พอเขาเปลี่ยนให้เนี่ยคำถามเขาเปลี่ยนเป็นวัวเป็นไก่ไก่ทะล้านึกป่าก็ไม่รู้คือจะเอาแค่หมูอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยกินด่าหมดไม่ใช่นะสุดท้ายก็โดนตกรอบเพราะอะไรข้อห้ามเยอะ เพราะเขาไม่มีข้อห้ามอะไรอยู่แล้ว เ, เอาอะไรก็มาทำอาหารได้หยิบไอหนุนมาทำใส่ลงใส่เลือดเอาเล่าใสา่แต่ของมุสลิมเราเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่ว่ามันห้ามไอห น, นึ่งสองสามสี่อ่ะใช่ไหมล่ะเป็นสั ญ, ญลักษณ์เลยนะในในของศาสนาอิสลามเราคือมุสลิมจะอยู่บนกฎเกณฑ์ข้อห้ามนะอ่ะต่อมาคือพวกท่านจะต้องไม่ทำสิ่งที่อัลลอ์ห้ามให้เป็นที่อนุมัติ อลัลลอ์บอกนะในคัดิสบอกว่าต่อไปเนี่ยคนจะทำสิ่งเดียวรอมไปเที่ย อ, อ, อนุมัติมีอะไรบ้างในคัดิสจำได้ไหมเครื่องดนตรีดนตรีเนี่ยปัจจุบันนี้กลายเป็นเหมือนกับของฮาลานไปแล้วสุรามสิ่งมืนเมาต่างๆนะอ่าต่อมาด้วยเหตุ น, นี้อลัลลอ์จึงตัดว่า อะไรอันหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกเป็นที่ต้องห้ามวัละชะรอนฮารอมเดือนต้องห้ามหมายถึงเดือนดังกล่าวนั้นเป็นเดือนที่ต้องห้ามต้องยอมรับและให้เกียรติและและทิ้งสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามกระทำเช่นการทำการสู้รบการทำสงครามนะอันนี้คือช่วงเวลาที่อัลลอฮ์ห้ามเอาไว้ นะซึ่งก็มีคนมาถามนะในกุรานก็บอกว่ายัสอาลูนักอนิชรินฮารอมีกีตาลินฟีกุลกีตาลุนฟีฮิกาบีรในสุรัตน์มกรรล้อบอกว่าพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับเดือนต้องห้ามการสู้รบในเดือนนั้นจงกล่าวเถิดว่าการสู้รบในเดือนนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่โตเป็นเรื่องที่เป็นบาปยกเว้นกรณีเดียวที่จะสู้ได้คืออะไรป้องกันตัวถ้าเขามาบุกเราโอ้เป็นเดือนต้องห้ามเราไม่สู้ฟันคอฉันเลยจ้ะไม่ได้ อันนี้ต้องสู้แหละแต่ถ้าไปลุกรานไปไปก่อิไปก่อเรื่องอันนี้ห้ามนะครับเอาต่อมาสิในช่วงเดือนต้องห้ามนะวาระฮาดียวและกอลาอดอะไรที่เป็นที่ต้องห้ามอีกสัตว์และสัตว์พีและสัตว์ที่ถูกแขวนเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นสัตว์ปลี นะอันนี้ต้องมาดูนะการเชื่อสัตว์พีเมื่อไปถึงใบตุน้นล้ออ่านี่หัวข้อหนึ่งนะการเชื่อสัตวร์พรีอัลฮัตเดยุก็คือการเชื่อสัตว์ในพิธีฮัตนะครับหมายถึงพวกท่านจงอย่าปล่อยสัตว์พีไว้นะพวกท่านจงอย่าปล่อยสัตว์พีไว้จนถึงใบตุน้นล้อนะเพราะว่านั่นเป็นการ เราเนี่ยพูดว่าไงนะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเราให้เกียรติแก่บรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์และอย่าได้ปล่อยเครื่องหมายที่สวมที่คอเอาไว้เพื่อเป็นการจําแนกออกจากสัตว์อื่นนะครับและเพื่อที่จะให้รู้ว่าเป็นสัตว์พรีผู้คนจะได้ไม่ทําร้ายมันคือในสมัยยาฮิลิย่าเนี่ยมันจะมีสัตว์ที่เขาเนี่ยถวายรูปปรงรูปปั้นอะไรเขาจวเจวิตเขาเขาก็จะเอาทําสั ญ, ญลักษณ์อะไพวกนี้นะ ห้ามไปทำร้ายจะไปทำร้ายไปทัวว้งปล่อยให้มันกินไปซึ่งวัวเนี้ยในในขอโทษในประเทศอินเดียเนี่ยมันก็จะมีเขาเขาเข า, เขานับถือวัวเป็นเทพเจ้าไอ้วัวพวกนี้นะมันเข้าไปกินได้ใครเนี่ยห้ามว่านะกินไปเถอะกินไปเลยเพราะถือว่าเป็นเทพเจ้ากินไปห้ามไปทำร้ายห้ามไปตีอก็เลยมีเรื่องเหมือนกันมุสลิมเรามาเชือ่อนะแต่ว่าเขานับถือวัวทั้งหมดเลยแต่ในยาฮิลิยาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย ถ้าวัวไหนที่เขาทําการปล่อยพอปล่อยแล้วเนี่ยเขาจะทําสั ญ, ญลักษณ์พอทําสั ญ, ญลักษณ์เขาก็ปล่อยให้มันเดินตามทุ่งไปนะซึ่งในหลักการศาสนาของเราเนี่ยนะเมื่อเราอุทิศให้เป็นสัตว์พรีแล้วเนี่ยให้เราเอามาทําอะไรทําอะไรปล่อยให้มันเดินเล่นเถอเชื้อ ด, ดิเอามาเชื้อไง เออเชื้อที่เอามาทํากุรบันเนี่ยเอามาทําอะไรเอามาปล่อยดูให้มันเดินกินเนอะพอถึงเวลาก็เป็นไงเชื้อแต่พวกนั้นเนี่ยเขาไม่เชื้อพอเขาบอกสัตว์ปรีก็ทําไงปล่อยมันกินไม่ขี่ไม่เดินไม่เปืเปองหญ้าแต่ในหลักการศาสนาของเราก็คือการบอกว่าสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์ปรีก็คือเอามาเชื้อและเชื้อนี่เชื้อทําอะไรเชื้อเพื่อเอามาเนื้อมาอะไร มากินมาบริโภคมาแจกจ่ายคนยากคนจนอันนี้เกิดประโยชน์มากกว่าไห อ, อปล่อยให้วัวเนี่ยฉันอุทิศให้อัลลอฮ์วัวสิบตัวปล่อยให้มันกินจนกระทั่งมันแก่ตายได้ประโยชน์อะไรคือคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาบอกว่าเขาเขามอบสัตว์เนี่ยพรีเนี่ยเขาไม่เชื่อเลยทัดยาเขาปล่อยให้มันกินจนกระทัง่งมันอ้วนตายแล้วมันก็ตายไปคือการพรีของคนยาฮิริยาเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อเนะี่ยห้ามเชื่อเหมือนกับคนที่เขาปล่อยโคทุกวันเนี่ย ที่เขาไปปล่อยไถชีวิตโคเนี่ยคือไถมันไม่ใช่เอาไปเชื่อดนะังเขาปล่อยให้มันกินจนกระทั่งตายเลยแต่ในหลักการศาสนาของเราเนี่ยห้ามไม่ให้มีคำว่าคําว่าสัตว์ปลีของอลรรนี่คืออะไรเมื่อถึงเวลาถึงขอบถึงเวลาของมันก็ทําการเชื่อมาใช่ปล่อยให้มันเดินกินนู่นกินนี่คราวนี้มาดูต่อเพื่อต้องให้ได้ผลบุญไงของการแจกจ่ายนะครับคราวนี้มันมีเหตุการณ์อยู่ท่านอดสูญเนี่ยไปทํำพัด นะครับฮัดเดอตันวดัดะไปนอนพักอยู่ที่ซุนหุไลฟ้านะนั่นก็คือวอดีอันอากีกเมื่อเช้าตรู่เนี่ยเวลาเช้าตรู่เลยนะท่านนาบีไปเยี่ยมภรรยาทุกคนเลยนะในขณะนั้นเนี่ยท่านนาบีมีภรรยารวมกันทั้งหมดเ่ยเก้าคนเก้าคนอันนี้เฉพาะนาบีนะคนอื่นได้แค่สีนะบางคนเจอแบบนี้แม่อาจารย์หวานแล้วเออไม่ได้นะได้แค่4ี เกินกว่าสีถือว่าเป็นสีนาพร้อมกันนะพูดถึงพร้อมกันอันนี้ท่านนบีเก้าคนเนี่ยพร้อมกันเลยภรรยาพร้อมกันเลยเก้าคนอยู่ก็ไปเยี่ยมทุกคนเลยนะหลังจากนั้นท่านนบีก็มาอาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็ใส่เครื่องหอมนะแล้วก็ละหมาดสองรากะอะเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละก็เป็นข้อขัดแย้งกันอยู่อะตกลงมันมีละหมาดสุนนะของเยรอมไหมเออเนี่ย นะละหมาดสองรอก น, นี้เขาก็ตีความกันละหมาดละหมาดอะไรบางคนก็บอกว่าอ๋อก็เป็นละหมาดที่นบีอาบน้ําฮูดูนะอันนี้แหละมันก็เป็นข้อขัดแย้งกันอยู่ถามว่ามีละหมาดมีแต่ละหมาดอะไรนี่แหละและก็เอาเครื่องหมายเนี่ยมาบง่งมาบ่งเอาไว้ว่าสัตว์เนี่ยคือสัตว์ที่นบีเตรียมมาไว้และนบีก็กล่าวตั้นบียคือสัตว์เนี่ยมันคือต้อนกันไปเนี่ยประมาณหกสตัวอูด คือจะมาเชื่อดกินระหว่างทางเนี่ยไม่ใช่ถ้าถ้ามีเครื่องหมายเนี่ยก็ต้องไปเชือดหลังจากทําอะไรขว้างเสาหินไอ้วันที่ขว้างเสาหินสุดวันแรกอะวันที่วันที่สิบแบบพอแมเรื่องขาดอีกแล้วพอไปเก็บพ อ, อ, อมุสดาลีฟ้าเสร็จปับ๊บพอเช้าตูลมาสุบโบก็ไปขว้างเสาหินพอขว้างเสาหินก็เชื่อดสัตว์แล้วก็ตาฮัลล้นล น, นั่นแหละเชื่อดสัตว์วันนั้นแล้วก็ไปตวารบอีฟารอไปตวาร์ัตไปแซแวร์ฮัต นะนั้นการที่ทำเครื่องหมายตรงเนี้ยไม่ได้ว่าเป็นเครื่องหมายในการที่จะอะไรนะปล่อยสัตว์ให้มันเดินไม่ใช่แต่กำลังจะบอกว่าสัตว์เนี้ยคือสัตว์ที่อัลานลฮนาบีเตรียมเอาไว้สาหรับเชื่อดในพิธีฮัตส่วนสัตว์อื่นที่ไม่ได้มีเครื่องหมายก็เดินช่วงเดินทางก็เชื่อทานกันปกติน ะ, อ, ะอัลลอฮ์แห่มนะครับ ดูก่อนนะห้ามอะไรบ้างหนึ่งเดือนต้องห้ามแล้วก็สัตว์พลีนะก็คือสัตว์พลีเนี่ยมีได้แต่ว่าไม่ให้ปล่อยเฉยๆก็คือถึงเวลาก็ให้มีการเชือ้อดแล้วก็ทําเครื่องหมายเหมือนกับยาฮิลิยะแต่ถ้าทําเครื่องหมายบอกว่าเป็นสัตว์ปลีแล้วถึงเวลาทําการเชือ้อดนนีได้ไหมได้คนละอย่างกันนะไอ้ที่ประเภทที่เขาแขวนไว้ที่คอในสมัยไจเรียเนี่ ย, ยอันนี้ห้ามและอลัลลอฮ์ก็บอกต่อว่า ว่ลาอามีนัลไบตัลฮารอมยาบตะกูนัฟัดละมิรับบิหิมวาริดวานะอัลลอฮ์บอกว่าและบรรดาผู้ที่มุ่งสู่บ้านอันเป็นที่ต้องห้ามก็คืออะไรครับก็คือมัสยิดทารอมไบตุนทารอไบไบตุนทารอไบอ่าไบตุนล้อนะโดยแสวงหาความโปรดปานและความพอพระทัย จากพระผู้อภิบาลของเขาตรงเนี้คําว่าโปรดปานกับความพอพระไทยเนะี่ยมีสองมีสองมีสองคำอธิบายคําว่าโปรดปานและความว่าพอพระไทยก็คือไปทําอิบาดะหลักเลยไปทําอิบาด์ดะอย่างเดียวเลยส่วนสแสวงความโปรดปานอันนี้มีเรื่องของการค้าขายเข้าไปด้วยทั้งคนที่ไปค้าขายห้ามไหมห้ามไม่ไปค้าขายได้ไหม ได้สิทำไมจะไม่ได้สมมุติถ้าเราจะไปทําพัดและเราเตรียมของไปขายด้วยเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามนะทําได้แต่ขายจะเป็นเวลาหน่อยหลังจากขวางเสาหินเรียบร้อยเนี่ยวันนั้นตลาดที่มีนาจะเปิดแล้วตลาดช้อปปิ้งกันโอโ้ยคนก็คนไทยเราก็เอาแหวนไปขายอะไรไปขายดังนั้นใครที่มุ่งไปด้วยกับไปทําพัดอย่างเดียวเลยก็อย่าไปห้ามเขาให้เขาไปหรือใครที่เมมีจุดประสงค์อย่างอื่นในการไปค้าขายด้วยก็ไม่ว่า เขาไปแสวงหาดิสกีจากอัลล์ในช่วงทาพัดนะครับอ้าวต่อมาแต่เมื่อพวกเจ้าเปลื้องเอียรอมแล้วเนี่ยก็จงล่าสัตว์ได้อ่าข้อห้ามนี้จะหมดไปนะว่าอีเดฮาเลนตุมฟัสตฟัสตอดูข้อห้ามนี้ไม่ได้อยู่ตลอดจะอยู่แค่เฉพาะตอนที่มีของเอียรอมแต่เมื่อเปลื้องเอียรอมแล้วเสร็จพิธีแล้ว ก็สามารถจะล่าสัตว์ได้แล้วและข้อห้ามของเอียรอมก็จะหมดไปนะครับวะยเยจรีมันกุมชนานูเกอมินอัซัดดูกุมอานินมัสยิดินฮารอมีอันตะตะดูอลัลลอฮบอกต่อว่าและจงอย่าได้เกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดที่ขัดขวางพวกเจ้าไม่ให้เข้าสู่มัสยิดฮารอมทำให้พวกเจ้าทำการละเมิด ตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอัลลอฮ์ห้ามการเอาคืนเพราะมีซาบะบางคนเนี่ยยังจำเหตุการณ์หูดายบีญาได้คือตั้งใจมาทำอุมรอไอพวกนั้นเป็นไงขวางนะขวางไม่ให้ไม่ให้นบีเข้าแล้ววันหนึ่งที่ศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับได้มาพิชิตแล้วเนี่ยคนที่เคยกระทำแบบนั้นไว้ก็อยากที่จะให้มันลำบากมั่ง ไอโมกอนี้มันทําให้เราลําบากไว้วันนี้ทําให้มันลําบากมั่งให้มันมีขั้นตอนนู่นขั้นตอนนี้เยอะๆนะให้มันลําบากมั่งจะได้มันจะได้รู้สึกเหมือนกับเราตอนนู้นอลัลลอฮ์บอกอย่าทำนะเพราะเขาถือว่าเขาเป็นแขกของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะโมกอนเขาอาจจะมีเรื่องราวกับเจ้ามีนู่นบาดหมางกันลืมมันซะเพราะตอนนี้เขามาทําอะไรมาที่ใบตุลลอเพื่อที่จะมาทําคุณงามความดีและต้องอลัลลอฮ์บอกต่อตาวะนู และเบริวตัตตะว่าและจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีงามและความยำเกรงต่อให้เรามีเรื่องบาดหมางกันในอดีตไม่ชอบขี้หน้ากันอาจจะไม่ชอบบางอย่างที่มขัดแย้งกันอยู่วันหนึ่งเขามาพูดบอกว่าเออเนี่ยเขาจะไปทําฮัทนะแล้วเราเนี่ยสมมติเราอยู่กรมการวีซ่าเฮ้มึงเคยมีเรื่องกับกูไม่ทานะไม่ทำเหมือนไส้ มกกรณ์มันกวร น, นักอ่าไอ้นี่อย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เท่ากับเราละ เ, เมิดเขาแล้วเราแยกไม่ออกไงระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของศาสนาเห็นไหมเอาเราระวังมากเลยบอกว่าอย่าทํำนะมกกรณ์เขาอาจจะทําไม่ถูกกับเราอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องบานหมาง ก, กันไม่ถูกใจกันอะไรกันวันหนึ่งเขาจะไปทําความดีทำความดีไหมล่ะเขาจะไปทําฮัททำความดีใช่ไหมเราอยู่จะเป็นเจ้าหน้าที่ควรมันเลย นะดังนั้นตรงเนี้ยมันก็เป็นอันหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายทําไมซาอุดิอาระเบียเขาถึงให้วีซ่าคนอิหร่านใช่ไหมประเทศอิหร่านซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจวุ้ยทำไมให้มาด้วยบางทีมากับบางทีมาทําทุกวันศุกร์มันจะไปยืนอยู่หน้ากูโบไปด่านันยังไงช่ดูวพวกวะนี่นี่เขาแต่เขาจะารถมา ก, กัน้นไว้หมดเต็มเลยนะทหารจะเยอะเลยไอพวกนี้จะไปทําการด่าท่านยังไงชะ แต่เขาก็ต้องให้มันเข้ามาเพราะมันจะมาทําความดีแต่เรื่องอะไรละเอียดเขาป้องกันหมดนะพอมันจะมาทําอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาจหารล้อมเลยถ้ามันทําอะไรปั๊บรวบเลยแต่ถ้ามันไม่ทํามันจะละหมาดมันจะอะไรก็ให้มันไปคือมันมีมันมีกฎมันมีเกณฑ์อยู่จะไปโอ้โหสมมติไทยเราก็แหละเมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องเพชรเสาองค์เสาหุ่นพอเราไปทําฮัทเขาห้ามไหมไม่ไม่ห้ามห้ามได้ยงไงแหละเขาห้ามเรื่องคนงาน คนงานเขาไล่ออกหมดแต่พอไปทำพัดหุ่นดินเขาก็ให้ทําเหมือนเดิมนั่นแหละพรอถือว่าเป็นเรื่องศาสนาส่วนเรื่องบาทหมานส่วนตัวก็ว่ากันไปนะเนี่ยถ้าเขามาร่วมไม้ร่วมมือกันทําความดีนะครับก็ไม่เป็นที่อนุญาตที่เราจะไปขัดขวางไปห้ามนะครับแต่ถ้าเขามาทําไม่ดีในขณะนั้นเลยอันนี้ต้องอะไรต้องห้ามแล้วต้องหยุดย่ารสจึงบอกว่าวาลาตาวานัวและอิสมีวันอุดวาน และถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของการทําผิดทําบาปหรือการทําให้ก่อเป็นศัตรูกันเนี่ยอันนี้อย่าไปให้การสนับสนุนนะไอ้ฟังหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องกันแล้มันจะตีกันไอ้ราก็บอกว่าเฮ้ย hey, กูไม่เกี่ยวนะแต่มีกูอยู่ข้างหลังเนี่ยมึงไปหยิบไปก็ <that> ผมไม่เกี่ยวแต่ผมใคยสนับสนุน ให้ความร่วมมือ อ, อ, อำนวยความสะดวกเออมึงจะตีกันตรงนี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวกูทำให้ล้อมไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันจะนำไปสู่การบาดหมางกันนะบางคนเนี่ยพี่น้องหวังดีประสงค์ร้ายเขาต้องการมาให้ปะกันอยู่แล้วไอ้นี่ก็แอบรู้ไหมเนี่ยเขาส่งข้อความหันแคปไปให้ดูเนี่ยฉันหวังดีนะแอบทาไปไงทะเลาะกันบ้านแตกอืม เขากตกลงไม่ให้เจอกันไอ้นี่สรงข่าวเป็นอุตวานไหมเนี่ยทะเลาะกันเป็นอุตวานไหมเป็นศัตรูกันไหมเป็นนั้นอะไรที่ทําให้เขาปลองดองกันอิสลามศาสนาบอกแม้กระทั่งโกหกศาสนาอนุ ญ, ญาตเลยถทำให้คนดีกันเนี่ยได้บุญแม้ว่าจะด้วยวิธีการโกหกศา ส, สนาบอกได้แต่ถ้าเป็นทําให้คนทะเลาะกันเขาไม่คนเป็นศัตรูกันแม้จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องก็ไม่ได้เพราะเป้าหมายเป็นไง เป้าหมายผิดพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายนี่คือหลักการของศาสนาของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวปิดท้ายนะเอาแค่สองอายาขวาอาจารย์บีดีนมาแล้วนะต้องให้อาจารย์เขาได้สอนเยอะๆนะเพราะว่าฉันจะสอนเยอะมาแล้ว่อนหนีน้นะอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงอ่ะต่อนะอีกนิดหนึ่งเอาลอสบอกว่าไงเดี๋ยวจบละเอาลอสบอกว่าวัตตะกุลหล่อปิดปิดท้ายเอาลอสบอกให้ยำเกรงเอาลอสเยอะๆ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะทำยากทำง่ายมันอยู่ที่อะไรตักวาคําคเดียวที่พูดมาทั้งหมดโอ้โหอาจารย์มันยากจังแสดงว่าตักวาคุณเนะ่ยต่ำแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหสบายไม่จะยากอะไรแสดงว่าตักวาคุณสูงเวลาปิดท้ายทั้งหลายๆอย่างเนี่ยอัลลอฮ์จะบอกให้ดาเกียงอัลลอฮ์เน่ยเพื่อจะรู้ว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยมันไม่ได้เกินความสามารถของเราหรอก มีไม่เราอดอยากพี่น้องไปทำฮัดนะ่ไม่มีโอ้โหเนี่ยไม่รู้จะล่าสัตว์ยังไงแล้วไม่มีอะไรกินไม่มีทุกวันนี้สบายคนเป็นล้านเนี่องอูดอาหารบริบูรณ์พร้อมหมดต้องไปล่าอะไรไหมไม่ต้อง <c oughs> ออสิ่งที่เอาลอห้ามเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ที่อยู่สามารถปฏิบัติได้อยู่แล้ววัตตะกุลลออินนัลอฮะชาดีดุนไอกอบแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยเวลาลงโทษพระองค์ก็ทรงลงโทษอย่างรุนแรงนะ ในความเมตตาขอร้องมีและในการลงโทษของร้องก็ไม่ใช่ว่าจะลงโทษแบบเมตตาไม่มีเมื่อลงโทษพระองค์ก็ลงโทษแบบรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับอ่ะมีคนมาถามคำว่าชะนะอานเนี่ยแปลว่าโกรธแค้นอ่ามีมีเรื่องบาดหมางกันนะครับชนาอานมาดูอีห h ด d i หนึ่งนะอุนซุร อาคอการ์ริมันอาอมัซลูมันมีคนมาถามท่านอนสบินมาริกบอกได้เล่าว่าท่านรอซูลแล้วสัลลัมบอกว่ามีคนมาถามอา่นานบีบอกว่าจงช่วยเหลือพี่น้องของท่านทั้งคนที่อาธรรมกับคนที่ถูกอาธรรมกี้แหละยะรอซูลลมีคนคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าโอ้ท่านรอซูลครับฮาดานซรตูฮูมัซลูมันฟะไกฟะอันซูรูฮอูากาอกนาิมันช่วยคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยเราเข้าใจ คนนี้ก็ถูกอาธรรมนี่เขาแย่ถูกรังแกเราก็พยายามเรียกร้องช่วยเหลือเขาขอมุสเขาถูกไล่ที่ออกไปเราก็ให้ที่เขาอยู่เขาถูกโกงทรัพย์เราก็ช่วยเหลือเขาไปแล้วเขาถูกขโมยมาเนี่ยเราก็มีทรัพย์เราก็แบ่งปันอันนี้เข้าใจได้แต่คนที่ไปอาธรรมคนเนี่ยไปช่วยเขายังไงอ่ะก็เขาอาธรรมคนเขาไปโกนเข้ามาไปไปละเมิดเนี่ยไปช่วยเขายังไงคนถามท่านนบีนบีบอกว่ากเหล่ตะ จูจ uh uh ูหัวและมน่าวหัวมิจุลมฟะดกนสรหัวนบีบอกว่าท่านต้องห้ามเขาต้องขัดขวางเขามิให้เขาทำการจอเหลมคน้นเราเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยมันวางแผนจะขโมยแล้วเราเป็นเพื่อนกับมันโอ้กูไม่รู้เรื่องของมึงเว้ยได้ไหมไม่ได้ต้องบอกเฮ้ยมันไม่ได้นะแกไปขโมยได้ไงมันเป็นฮักกุนอาดัม มันบาปอย่างงน้นอย่างนี้ซีฮัตไปนั่นแหละช่วยทําให้เขาไม่เป็นผู้อาธรรมแล้วเขาคิดจะโกงขึ้นมาเรารู้ปั๊บเราต้องไปเตือนไปบอกเขาไปห้ามปามเขาเราเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเราจะไปเป็นมีเรื่องกับใครไปไปตีกับใครเราเฉยเลยลูกเอ้ยปืนอยู่หลังบ้านด้วยลูกเอ่งี้ได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องห้ามลูกลูกเอ้ยอย่าไปรังแกคนอื่นเขานะอย่าไปหาเรื่องใครเขานะลูกอย่าไปมีเรื่องกับใครอย่าไปตีตีใครเ้านะ ถ้าวันนี้มันไม่ใช่พี่น้องพ่อแม่ในตัวให้ทายอืมพอพอตำรวจมาจับมาอะไรก็อุยลูกฉันเป็คนดีอืมดังนั้นการช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยคนที่ถูกอาธรรมเราช่วยเหลืออันนี้ไม่มีปัญหาคนที่อาธรรมคนเราก็ต้องช่วยเขาเหมือนกันช่วยโดยการห้ามปามเขาขัดขวางเขา ท, ทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้เขาไปละเมิดไปทำบาปกับคนอื่นนี่คือหลักการศาสนาที่สมบูรณ์แบบพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายช่วยทั้งคือการช่วยคน คนอาธรรมเนี่ยคนที่ถูกคนที่อาธรรมเนี่ยมันเป็นต้นเหตุเลยนะใช่ปะ่ะคือเป็นเป็นการดับไฟแต่แ ต, แต่ต้นลมถ้าไม่มีคนอาธรรมคนถูกอาธรรมจะมีไหมก็ไม่มีแต่คนี่จะไป ม, มองว่าเฮยช่วยเหลือคนถูกโกงก่อนเราต้องไปห้ามไอ้คนที่มันโกงคนก่อนถ้าไม่มีคนโกงไอ้คนถูกโกงก็ไม่มีเราไปห้ามไอ้คนขโมยก่อนพอห้ามคนขโมยไอ้คนถูกขโมยก็ไม่มีในอิสลามจึงเน้นไอ้เรื่องแต่แ ต, แต่ต้นเลยว่าเฮ้ยคุณอย่า จะไปละเมิดเขานะ่ห้ามไปทำนะแต่ถ้ามันเกิดมาแล้วล่ะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วทำไงก็ต้องช่วยเหลือกันต่อไปตบานแต่ถ้ายังไม่เกิดป้องก่อนปรามก่อนห้ามก่อนนะอันนี้คือหลักการศาสนาของเรานะครับและอีก h a ด i ษนึ่สุดท้ายจริงๆแล้วเกงใจคุนอาจารย์บีดีนมากอิห ม, าม่ามอามัด บ, บอกว่ามีชายคนหนึ่งมาถามท่า น, นาอับลลดุล อ, อลนน า, าอละาาหม ผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่อยู่กับชุมชนอยู่ในหมู่เก็มและในหมูก่เก็มนั้นเนี่ยพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับมีอันตรายสมมติเนี่ยเราเนี่ยสอนหนังสือมันก็อาจจะมีคนที่แบบไม่ค่อยเห็นด้วยกับเราบ้างอะไรบ้างหรือเรากําลังทําการซีฮัตในนั้นกระดงยาเลยนะเห้ยอาจารย์เราต้องฮิจโร่อพยพมาอยู่แล้วไอ้พวกเนี้ยปล่อยไม่ได้แล้วเราขึ้นมาอยู่บนเขาเลย อยู่คนดีอย่างเดียวไอ้พวกนี้ปล่อยมันน บ, บีบอกไม่ใช่การที่ท่านอยู่ปะปนพวกเขาและหาโอกาสในการนะซีฮัตตักเตือนอาจจะเจ็บบ้างโดนเล่นงานบ้างแต่เราก็ซอ บ, บัดอดทนอ้าวอมูอัจรอนถือว่าเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าอัลเลดีลาอยู่คอริตุนานสวัลเย์สบิรุอัลเอาดาหุมกับคนที่ไม่อยู่ปะปนกันเลยอยู่แต่คนดีพวกเราอยู่แต่คนดีอย่างเดียวแบบนี้ถามว่าจะ มีอะไรมากระทบไหมไม่มีกระทบอยู่แล้วเราไปบรรยายศาสนากับคนดีพี่น้องภูมีหมานทั้งหลายยังไงไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปตรงไอทีมันเฮลเท ห, หน่อยนะเออแล้วมันมีผลเนี่ยวะล็กมุสลามเนี่ยนั่นแหละเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นคนที่เสียสละซึ่งตรงนี้ต้องให้อาจารย์บิดินอธิบายเพราะเจอมาเยอะเล่าส่วนของฉันเนี่ยส่วนใหญ่จะไปแต่คนที่ดีๆแล้วนะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะมีที่หนึ่งสี่เ ค, เคยเล่าเนะ่ยอาจารย์อย่าลืมใส่กิ่งวอมมาด้วยนะ เขาบอกให้ใส่เกงวอลมาทำไมเขาบอกเผื่อมีเรื่องอาจารย์จะได้วิ่งทันหลอนีไปบรรยายแล้วจะออกรบเนี่ยนะอ่ะก็ไม่เป็นหาฉันบอกว่าไม่เป็นหาเราตาว่ากันมอบหมายต่อรอแต่ถ้าเกิดมีสัญญาอะไรบอกฉันด้วยนะฉันจะได้เอาตัวหลบก่อนอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรียนกันต่อนะพี่น้องอ่ะเรียนกันต่อนะสุบาฮานะก็ลอฮุมม่าอบิฮัมิกชุดูอัลลออิลาฮิอัลลาอัสต้ฟิุกาวตูบุลไอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมัตุลลอฮฺวะบระกตุ